วันนี้พระพระห้าสิบเอ็ดลงมาฉันสามสิบแปดงดฉันสิบสองและสิบสามแต่ตามรายงานนะถ้ามันผิดถูกยังไงพวกเราไปคิดไปคิดอีกก็แล้วกันกูบารายงานมาอย่างนี้วิชาวเนี่ยพออสุจิตให้พระ ถ่ายรูปพราคงจะไม่มีโอกาสประจวนจะออกพรรษาแล้วคงจะมาดิบินทาบาทหน้าวัดจะรวมกันอย่างนี้หาหายากแต่หลวงพ่อเขาบอกว่านะถ้าหลวงพ่อถ่ายรูปกับพระลูกพระหลานนะถึงจะไยจะอยู่ในาศาสนาต่อไปหรือใครจะลาสิกขาก็ให้เป็นพระดี ให้เป็นคนดีถึงจะไปเป็นฆราวาสก็ให้เป็นคนดีอไม่ใช่ว่าถ่ายรูปติดหลวงพ่อแล้วพอแล้วไปเห็นอยู่ในคุกคนนะเอหลวงพ่ออินเธอเลยลูกศิษย์หลวงพ่ออินไปติดคุกเออลูกหลานต้องเป็นคนดีนะก็ถ่ายรูปติดก็หลวงพ่อแล้วเอา่า ถือว่าเป็นมงคลมาหามงคลถ่ายรูปกับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อเอเป็นยืนเทอเลออ่ะยอมาแล้วนี่โอ้ยนี่แหละพระนาคำน้อยองค์นี้แหละศึกออกไปแล้วไปติดคุกอยู่นู่นไปว่าโอ้ขายหน้ากาันต์หนักนะเะยแปลว่าหลวงพ่อสอนออสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่ถึงใจเลยเ อ, อสอนลูกศิษย์ลูกหาไม่ไม่ถึงจิตถึงใจเลย ยังทะเลทะลายทำความชั่วเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองอีกไนะไม่น่าจะถูกนะลูกหลานนะวันนี้เป็นวันพทษที่ส4สตุลาคมพุทธศักราช2558ห้าสบหลวงพ่อเองอดจะย้ำไม่ได้คือเกี่ยวกับกระถินของพวกเรานะพี่น้องจทหายาติโยมถึงจะว่า วิตกกังวล ก, ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะสิ่งที่จะมาพาดมาเกยเพวกเราก็จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็จะต้องได้ได้พูดได้กล่าวแนะนำบอกกล่าวว่าจะเอาอยัางไงแต่หลวงพ่อก็ได้พูดกับทาง ผู้เกี่ยวข้องอได้ปรึกษาในผู้เกี่ยวข้องหลายๆแนวทางบากว่าควรจะนะควรจะประชุมกันเป็นการภายในก่อนก่อนที่ทางจังหวัดจะเข้ามาประชุมพวกเราเป็นควรจะมีภายในรองรับซะก่อนว่าเราจะเดินกันอย่างไงไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเดินต่างค น, ต, งคนต่างคิด ก็ไม่น่าจะเป็นอย่า ง, ง น, านั้นพราะหลวงพ่อเองจึงมอบไพ่แม่ชีชีอ้อยนะหลานในสาเน่ก็คงจะเคยทําธุรกิจธุรการประสานงานกับคู่คนกับหมูพวกเพื่อนมาทีนี้ก็ให้ประสานในกลุ่มในหมู่ในคณะที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่รักเคารพในวัดป่านาคําน้อยรักเคารพในครูบาอาจารย์ที่ไปมาหาสู่กัน ที่มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันให้ประ ส, สารนรู้สิว่าให้มาร่วมไปชมถ้าเป็นไปได้กะกะไว้นะเป็นวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองตุลานะเวลาบ่ายสองโมงตอนเช้าก็จะช้าเกินเร็วเกินไปเพราะอยู่ทางไกลนะกะไว้บ่ายสองโมงจะพอเหมาะไหมเพราะกลับบ้านก็ไม่คำ่ำ เอาคนในถิ่นหรือผู้ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะ่ก็เข้ามาเลยเพราะว่าเราต้องการพรังความพร้อมเพียงสามัคคีในสิทธิานุสิทธิทั้งหลายที่ไปมาหาสุรักเคารพเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่เพราะงานกระถินของเราก็อย่างที่เราได้ประกาศพระองค์โสมเจวรลี พระ อ, องค์ท่านจ ะ, ะเดจมาเป็นประธานในการทอดกระถิ่นวันที่8พฤตจิกายนายน้าสิเวลา16ศูนย์ูนย์นอออันนี้ก็คือชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราในบรรดาสิทธิ์ที่รักเคารพหรือว่าเป็นผู้ที่เอามาเกี่ยวข้องกับวัดป่านาคำน้อยของเราหลวงพ่อก็ดัก บอกกล่าวให้มาร่วมกันประชุมหารือกันเป็นการภายในภายในวัดก่อนตอนที่พวกเราจะทํำยังไงต่อไปกันออกในเป็นคณะกรรมการอ๋ อ, อกรรมการของวัดทั้งหมดน่ะที่ผููเกี่ยวข้องนะหารือกันแตนะ่ส่วนจังหวัดเข้ามาเราก็จะได้พูดแสดงให้ทางจังหวัดทางได้ทราบว่าที่จอด อย่างไงที่อะไรอย่างไงเราจะได้พูดกันเพราะนั้นภายในของเราควรจะเป็นเอกฉันจักนแล้วก็องค่อยค่อยชี้แจงผู้ที่เข้ามาประชุมร่วมกันภายนอกอีกที่เนื่องหลวงพ่อคิดว่านะเพราะนั้นให้พวกเราให้ชี้อ่อยประสานกันดูซิว่า วันที่ยี่สิบสองตุลานะนะบ่ายสองโมงถ้าเป็นไปได้นะถ้าผู้ใดยิดผู้ใดได้ยินเสียงนี้แล้วก็พอที่จะมาได้ก็มาร่วมกันเลยถ้าว่าผู้ใดเป็นศิษยาณุศิษย์นะที่รักเคารพไปมาหาสู่วัดป่านาคําน้อยของพวกเราจะไปจะไปถือเป็นอย่างอื่นี่ถือวันนี่คือวัดที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างบําเพ็ญ บุญบาเพ็ญกุศลแต่หลวงพ่อเองก็ยังหลวงพ่อเองถึงจะวัดป่านาคำน้อยหลวงพ่อสร้างมา ก, กับมือก็เถอะนะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นวัดของหลวงพ่อนะเพราะเป็นวัดของพระพุทธศาสนา เ, เป็นเพียงแต่ว่าเป็นหัวหน้าผู้นำออของคณะศรัทธาญาติโยมเท่านั้นเองหลวงพ่ออีกไม่นานหลวงพ่อจะไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เ, เพราะนั้น สิ่งล่างตั้งหลายทั้งปวงอันไหนที่มันถูกต้องอันไหนที่เป็นธรรมที่มาพลาดมาเกยเข้ามามาสู่วัดของเราเราก็ต้องช่วยกันอันนี้เปลว่าข่านี่เปลว่าบุญบุญหล่นทับบุญหล่นทับพวกเราหาได้ที่ไหนพระองค์จ ะ, สะเสด็จมาปโปรดถึงขนาดนี้เพราะนั้นถือว่า เป็นถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึง อ, อยากจะให้พวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวคําว่าแตกแยกหระหว่าแนวความคิดเห็นนั้นเอาไว้ก่อนอจะเป็นใครก็ตามนะถ้าว่าเข้ามาในจุดนี้แล้วต้องหนึ่งเดียวนะหลวงพ่อจะให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าหาว่ามันมี แปลกแตกต่างมารีบบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะขีดบ่งไว้เลยเอาสีแดงเหมือนกับเอาชอกขีดกันมดไว้อย่างนั้นนะบอกมาเพราะข่าวของต้องการข่าวนี้ต้องการความพร้อมเพียงสำมะขีที่สุดนะไม่ว่าฝ่ายพระไม่ว่าฝ่ายคราวาสญาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องเนพะราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆกท่านนะอันนี้คือคําพูดของหลวงพ่อนะให้ฟังไว้ฟังไว้ทุกคน ที่รักเคารพในองค์หลวงพ่อนะหลวงพ่อสอนมาสอนสั่งมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่พอมาจะถึงเข้างานคับขันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อก็จะจะรู้เหมือนกันเนะพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมกันช่วยๆกันคิดช่วยๆกัน ด, นดนะูงานกิจวัตหลวงพ่อไม่เหลือวิสัยไม่หนักหนา สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจแต่พูดทั้งนี้ทางนั้นพ่อไม่ใช่หลวงพ่อคนเดียวแต่หลวงพ่อเนี่ยทุกทึดทุกทิ้งทุกอย่างเองเป็นไปโดยธรรมเป็นไปดูหลักพระธรรมวินยัยจิตพัดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักแต่เป็นห่วงแต่ลูกหลานข้างหลายเท่านั้นนหะเอพราะในหลวงพ่อจึงเน้นยำ้ำกับลูกกับหลานพระเนร์ศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหลา่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะ เพราะนั้นการอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยสารานิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความร่มเย็นผาสุขในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านสอนเอาไว้ว่าการอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันด้วยสารานิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความร่มเย็นผาสุขหนึ่ง เข้าไปตั้งก า, ก, รร ก, ากายกรรมประกอบด้วยเมตตากายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสา ม, มเณรอันนี้คือท่านพูดเรื่องภิกษุสา ม, มเณรนะตลอดถึงพี่น้องประชาชทนที่มาเกี่ยวข้องกันนะะั่นแหละเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนกันด้วยจิตเมตตามีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ หรือว่าการดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยมีความจำเป็นอะไรในเพื่อนอที่อยู่ด้วยกันไปมาหาสู่กันที่รักเมตตากันที่อยู่ใกล้กันมีอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้น เ, เข้าไปช่วยกันด้วยจิตเมตตาข้อที่สองเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสูจส์สมเนต พี่น้องประชาชนทั้งตอ่อหน้าและรับหลังทั้งตอ่อหน้าด้วยทั้งรับหลังด้วยนะอกายกรรมก็เหมือนกันวจีกรรมก็เหมือนกันทั้งตอ่อหน้าและรับหลังเห็นเข้าไปกาวว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนสิ่งที่มัน ไ, ไม่ถูกต้องสิ่งที่มันผิดแนะนําบอกกล่าวกันและกันนะแนะนําไปในทางที่ถูกต้องอส่งเสริมกันไปในทางที่ถูกต้องพูดกันว่ากล่าวตักเตือนกันในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม การอยู่ด้วยกันข้อที่สเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาคือคิดทั้งต่อหน้าและรับหลังคิดในทางที่ดีไม่คิดเปี่ยดเปียนไม่คิดเอารัดเอาเปียบซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังที่พวกเราอยู่ด้วยกันและก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่ ผู้พวกเพื่อนคล้ายๆว่าเฉลือเผื่อแผ่แบ่งปันลาบที่ตนได้มาจะเป็นธรรมมาฆาลายก็าตามจะทําได้บิณฑบาตมาก็ตามต้องบอกให้ทั่วถึงเฉลือกันเฉลือเผื่อแผ่กันให้มีอยู่มีฉันถ้าตกไหนมันตกหล่นก็บอกมาแล้วก็ช่วยกันดูอันนี้คือว่าแบ่งปันลาบที่ดที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนๆ น, นที่อยู่ด้วยกันอ่า แล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันคือไม่ให้เป็นที่รังเกียจไม่ใช่มาอยู่ด้วยกันแล้วคนหนึ่งไปทําสิ่งผิดกฎหมายที่ทําไม่ถูกต้องเหล่านี้แหละคือให้รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันเล้ยุ่ใกล้เครียงกันอย่าไปทําสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายทําให้หมู่เพื่อนเสียหาย อันนี้เรียกว่าการดูด้วยกันแล้วก็ให้มีทิฏฐิคือความเห็นในตัวนี้สำคัญมีความเห็นคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำทำในสิ่งที่ดีคือคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมที่ดีถึงจะแหวกแนวไปยังไงก็ตามแต่จุดใหญ่คือจุดนี้ให้มีทิฏฐิเสมอกัน ถ้าหาว่าพวกเราเห็นว่าตายและศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีทำดีไม่ไ ด, ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วอันนั้นแปลว่าคบกันไม่ได้เพราะนั้นไม่ควรจะมีอยู่ในหมู่ในกลุ่มของพวกเราพวกเราเนี่ยจะต้องมีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันนี่แหละเรียกว่าสารานิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความเจริญในหมู่ในคณะแต่หว่าพวกเราออกนอกลูก่นอกทางจากนี้ไปแล้วนะมีแต่ความจิบหายมีแต่ความหายยนะ มีแต่ความแตกแยกสามัคคีกันเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมคือการพูดประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมคือแนวความคิดปร ะ, ประกอบด้วยเมตตาแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้หมู่พกเพื่อนให้ทั่วถึงเป็นไปได้ ร, รักษาศีลให้บริสุทธิ์คือรักษากฎระเบียบ อย่าออกทำออกนอกรู่นอกทางอย่าทำผิดวินยัยอย่าทำผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็คือรั ก, รกษาศีลและทิฏฐิคือความเห็นก็ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่าออกนอกลู่นอกทางถ้าว่าฟังครูบาอาจารย์มีความเห็นยังไงเอามาบอกเอามาตกนั้นตรงนี้อันนี้เป็นของธรรมดาที่แสดงความคิดเห็นทิฏฐิคือความเห็นตรงนี้แต่่าใช้มานะ อย่าใช้มานะคือแข็คือความแข็งกระด้างนะถ้าใช้มานะคือความแข็งกระด้างนะ่ะมันเข้ากันไม่ได้แต่ทิฏฐิเนี่ยความเหตุมันต้องมีมีการแย่งกันบ้างแต่ถ้าเมื่อแสดงความคิดเห็นหลายหลายคนแล้วถึงตัวเองจะไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับไว้ก่อนอย่าไปดันทุลังไม่ใช่ว่าตัวคนเดียวนี่หมู่พวกเพื่อนเห็นต่างตัวเองเห็นอย่างน้นกด็ดันไปอย่างนั้นไะ รถที่ถีมานะหยุดพูดซะเออเอาเอาเร า, เ า, เ า, เ า, เาไปพิจารณามันกระจบเรื่องราวแต่มันดันทุลังอยู่อย่างนั้นนะ่ะเพอเพอคนนั้นนะจะได้ต้องลงหมัดลงมวยกันนะแล้วว่าธรรมะหัวโนธรรมโอหัวแตกเออแคลแค่บอกความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะจุดนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะนั้นขอยให้พวกเราทุกๆท่านที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะต้องมีความพร้อมเพียงสมัคขี่ อจบแล้วคืออันดับแรกก็ต้องฟังหัวหน้าไว้ก่อนนะต้องฟังหัวหน้าการฟังหัวหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็เคยพูดไม่ใช่หัวหน้าเอาเส้นกว๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกพวกเราก็จะออกกว๋วยเตี๋ยวออกทางจมูกอย่างที่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่น่าจะถูกอย่างนั้นเหมือ น, นกันถึงเหนือหัวหน้าทําผิดเราก็รู้เยผิดหรือถูกไม่รู้หรอศึกษามาขนาดนี้แล้วอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อมาขนาดนี้แล้ว ผิดถูกรู้ไหมพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะอะไรทำไมเพื่ออะไรพวกเราต้ตองใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้แนวความคิดตนเองกลั่นกรองไตรตรองแองละเหตุและผลมันไม่หนีเหตุผลหรอกเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะเราต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลต้องอยู่ด้วยเมื่อฟังฟังแล้วมีอะไรทำไมเพราะเหตุไร มันต้องตั้งความสงสัยไว้จากนั้นก็ดูพิจารณากันกลองไตรตรองเหตุและผลในเมื่อเรากันกรองไตรตรองเหตุและผลแล้วเราจะรู้ว่าเหตุนี้มันมาจากไหนผลนี่มันเป็นอะไรทําไงจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบแล้วก็หลวงพ่อคิดว่าไปในทางถูกต้องไปในทาง ที่ดีทั้งหมดนะคณะสัตยายญาิโยมอ๋อวันนี้ให้แนวความคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้ผรรับพอหนานะ